ข้อความในคำพีพ <K l oss> ุทธวงศ์ต่อจากครั้งที่แล้วนี้มาขึ้นวงของพระโกนธัญะพุทธเจ้าที่สองวงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนธัญะที่สองในพุทธวงศ์นนะคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนธัญะได้พยากรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ได้พยากรพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นพระองค์เป็นสุเมธบัณฑิตว่าท่านผู้นี้อีกสี่อสงไขยแสนกับจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมันนานเหลือเกินเนี่ยนะทีนี้วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปนานแค่ไหนผ่านไปหนึ่งอสงไขย คิดดนะจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรจนถึงพระพุทธเจ้าโกนธัญญานั้นผ่านไปหนึ่งอสงไข่หน่วยคือกับก็คือ1อสงไข่กับนั่นเองก็อย่างที่คุ้นเคยกันว่ากับ1เนี่ยนะกว้างยาวลึก16กิโเมตรหรือ20กิโเมตรเนี่ยนะร้อปีหยอดเมล็ดพันธุ์ประกาศไปเม็ดหนึร้อยปีเม็ดหนึ่งกับ1นี้นะยังไม่สิ้นเลยหลุมเต็มไปก่อน กับหนึ่งนยาวอย่างนี้แลทีนี้หลักหน่วยเนี่ยนะถ้าหน่วยหมายควว่าถ้าเลขศูย์หตัวก็เป็นหลักสิบใช่ไหมถ้าเลขศ2ตัวก็เป็นหลักร้อยถ้าเลข0ูสาตัวสตัวหตัวหตัวเจตัวจนถึงเลข0ูนยตัวเรียกว่าอสงไขยพันก็อสงอผ่านไปหนึ่งอสงไขยเต็มๆนะซึ่งระยะเวลาเนิ่นานานมาก พระโพธิสัตว์ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเองนะในเวลาที่ผ่านไปนานพอมาถึงอสงไขยที่สองก็มาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะดังข้อความในพุทธวงศ์หน้า3 0 6ข้อสกล่าวว่าต่อจากสมัยพระธีปังกรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญผู้นาโลกผู้มีพระเดชไม่มีที่สุดมีพระยศนับไม่ได้ มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ยากที่จะเข้าเฝ้าก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลที่เข้าพบได้ยากพระองค์ทรงมีพระขันติเปรียบด้วยธรณีคือแผ่นดินทรงมีศีลเปรียบด้วยสาครทรงมีสมาธิเปรียบด้วยขุนเขาพระเมรุทรงมีพระญาณเปรียบด้วยท้องนภากรก็เรียกว่าสุดๆของการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะบอกว่าไม่มีอะไรจะ เป็นที่ตั้งแห่งความเปรียบเทียบยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศอินย์พระโพชฌงและมกษัจจะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงพระโกณธัญญาพุทธเจ้าผู้นำโลกทรงประกาศพระธรรมจักรทรมาพิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่หนึ่งได้มีแก่สัตว์แสนโกรเมื่อทรงสแสดงธรรมต่อจากนั้นในสมาคมของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทำมาพิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์เก้าหมื่นโกดไม่มีเราอยู่เลยเนาะจอกี่หมื่นกี่แสนก็อดีตการหลายท่านก็ถามมาตอนนั้นไปทำอะไรอยู่เนาะอนตอนละชาตินั้นๆพบนั้ น, น, นเมื่อเสียเมื่อสามอสงไขที่แล้วไปทำอะไรอยู่ก็บอกก็ทำเหมือนอสงไขนี่แหละอสงไขนี่บอกทําเหมือนชาตินี้บอกโอแล้วชาตินี้ศึกษาธรรมะกี่วันเนอะ ในจำนวนเป็นหมื่นๆมื่นวันเนี่ยนะสมัยเมื่อพระองค์เนส่งข่มเดรัถย์แสดงธรรมก็คือข่มเดรัถย์ด้วยการแสดงยมกะาปาฏิหาริย์ธรรมมาพิสมัยครั้งที่สามได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นโกดพระโกนทัญญาพุทธเจ้าผู้สแสวงคุณผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชมพระขี่นาศกคือพระอรหันต์ผู้ไร้มนทินผู้คงที่สามครั้ง คือครั้งที่หนึ่งเป็นการประชุมพระขีนาศพจำนวนแสนโกดครั้งที่สองจำนวนเก้า0มื่นโกดครั้งที่สามจำนวนแปดหมื่นโกดบอกเอ้ไปอยู่กันตรงไหนนะมากมายขนาดนั้นไม่ต้องห่วงคนมีบุญก็รอนะคนมีบุญเขาอยู่ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปกังวลแทนท่านเรากาท่านจะฉันกันยังไงจะอยู่กันยังไงแหมเดือดร้อนแทนท่านเหลือเกินงยแต่ท่านเหล่านั้นเป็นพระรหาร สมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นะนะพระโพธิสัตว์ของเรานี้เกิดเป็นกษัตริย์พระนามว่าวิชิตาวีครอบครองอิสริยาทิปัดเหนือปฐพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตมีบุญมากนะแสดงว่าบุญตอนที่ทําไว้ตั้งแต่สมัยสุมเมศบัณฑิตเป็นต้นมาให้ผลเลยเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราก็เลี้ยงคือทําบุญเลี้ยงพระขี่นาศพจํานวนแสนโกรธผู้ไร้มนทินผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยพระโกนธัญญาพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะเลิศแห่งโลกให้อิ่มน้ำสําราญด้วยอาหารอันประณีตนะก็เริ่มสายอ่ะนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพอเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทุ่มเทในการทําบุญอย่างเต็มที่พระโกณธัญญาพุทธเจ้าผู้นําโลกพระองค์นั้นทรงพยากรณ์เราว่า จักเป็นพระพุทธเจ้าในกับที่หาประมาณมิได้นับแต่กับนี้โดยจํานวนหลักกับไม่ต้องพูดว่าหนึ่งกับสองกับสามกับเป็นต้นไม่ต้องพูดแสนกับหรือว่าหลายพันล้านแสนกับมันก็ไม่ต้องพูดอีกแล้วเพราะว่ากับหานับหาประมาณมิได้นานมากก็คือแปลว่าอีกสามอสงไขยเศษอีกแสนกับตถาคตจากออกพิเนศกรมจากกรุงกบิลพั์ที่น่ารื่นรม ตั้งความเพียรธรำทุกขะกิริยานะควงต้นอาชาปาลนิโครธคือพระองค์ทำทุกขระกิริยาบำเพ็ญเพียรที่โคนต้นไทรเป็นใหญ่เป็นหลักนะพระองค์ทรงรับข้าวมาทุปายาตนะที่นั้นแล้วจากเข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชราเรียกว่าข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งพระชินเจ้าเสวยข้าวมาุปายาสนะริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราจากเดินตามทางที่เขาตกแต่งดีแล้ว เข้าไปที่โคนโพพฤกต่อจากนั้นพระผู้มีพระยศใหญ่จักทาประทักษิณโพที่มันฑสถานอันยอดเยี่ยมจักตรัสรู้ที่โคนต้นโพพฤกเชื่ออาศทะแปลว่าต้นโพใบเป็นส่ชนิดหนึ่ง น, นะนะตระกูลพันไยพระชนนีของท่านผู้นี้คือผู้นี้คือใครพระเจ้าวิชิตตาวีผู้นี้เนี่ยจักมีพระนามว่าพระนางมายาพระชนก พระนามว่าพระเจ้าสุธโธธนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคดมคู่พระอัครส า, าวกชื่อว่าโกริตะและพระอุปติสสะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพุทธะอุปถากชื่อว่าอานันทะจากบำรุงพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นี้มีคู่พระอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเคมาและพระอุบลวานาเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกกันว่าอสสัทธ์ต้นโพใบหรือว่าต้นใสใบก็ได้นะมีอัครอุปถาคชื่อว่าจิตตะและหัตถล拉วะตะ อ, นนะอุปถาคที่เป็นคารวาสเนี่ย น, นะคนหนึ่งชื่อว่าจิตตะครืห บ, บดีอีกคนหนึ่งชื่อว่าหัตถอลวะะหัตถ阿วะะก็คือคนที่ อ, อลวกะกยักปล่อยไปจากมือ แล้วก็ถวายที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับด้วยมือก็เลยเชื่อว่าหัตถะลวกะมีอัคระอุปถายิกาอุปถาคโยมเนี่ยนะเชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระชนมายุของพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นประมาณร้อยปีเพระพยากรณ์สมัยเมื่อสมัยคนมีอายุเป็นแสนปีเนี่ยฟังแล้วไงเนี่ยนะร้อยปีเองหรือน้อยมา ก, ก น, นะ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังพระดํารัสของพระผู้ไม่มีผู้อื่นเสมอคือไม่มีใครเปรียบเนี่ยนะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นี้แล้วก็ปราโมทปราบปลื้มใจฟังแล้วก็ปลื้มเนี่ยนะปลื้มว่าไงปลื้มว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อเนื้อพุทธทางกูลคือหมายความว่าแม้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันเถอะผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตก็เลยดีใจ หมื่นโล ก, กาธาตุพร้อมทั้งเทวดาก็พากันโหร้องปรบมือหัวร่อร่าประคองอัญเฉลีนมาศ ก, การกล่าวว่าฝ่ายพวกเราถ้าเกิดพวกเราเนี่ยนะพลาดจากคําสอนของพระโล ก, กนาถพระองค์นี้ในอนาคตการพวกเราจะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้พลาดพระพุทธเจ้าองค์นี้ได้ดีแน่กับพระพุทธเจ้าองค์หน้าเหมนกันมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ําพลาดท่าน้ําเฉพาะหน้า ก็ไปถือเอาท่าน้ำท่าหลังข้ามแม่น้ำฉันใดพวกเราทุกคนถ้าว่าจะผ่านพ้นพระชินเจ้าพระองค์นี้ไปในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกันพระโพธิสัตว์คือพระเจ้าวิชิตาวีเนี่ยกล่าวว่าเราพอได้สดับพระดารัตของพระองค์แล้วคือของพระพุทธเจ้าพระนามวโกนธัญญพยากรแล้วก็ยังจิตให้เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้น เมื่อจะยังประโยชน์นั้นนั่นแลให้สำเร็จคือคือตัวเองเนี่ยรู้แล้วว่าพอพอได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วรักอยากที่จะเป็นแบบพระพุทธเจ้ามากและพระพุทธเจ้าก็พยากรพยากรว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนในอนาคตก็เลยทำยังไงต้องการประโยชน์คือความเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ก็เลยถวายราชสมบัติอันยิ่งใหญ่นั้นแด่พระชินเจ้า ยกแผ่นดินพร้อมทั้งทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นพุทธบูชาหมดเลยนะครับคือว่าชาตินี้ทําบุ ญ, ญ, ญยิ่งใหญ่มากเลยนะแผ่นดินทั้งหมดที่อยู่ในครอบครองเนี่ยนะมีทวีปใหญ่ๆ4ทวีปทวีปน้อยๆยเป็นบริวารอีกสองพันทวีปทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่นี่เท่าไหร่ไม่ต้องนับว่าจํานวนกี่ไร่ใช่ไหมเขานับกันกี่ล้านตารางกิโลเมตรนะนะกี่ล้านตารางกิโลเมตรที่ฟองเอามาเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะนะพร้อมทั้งทรัพย์รัตนะคาธาตุบริวารทั้งหมดยกเป็น พุทธบูชาหมดเลย น, นะเรียกว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องมีรัชบริจาคต้องบริจาคราชสมบัติเนี่ยจะต้องบริจากราชสมบัติทีนี้ชาตินั้นก็ดีเลยได้นาบุญชั้นเลิศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นถวายราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็บวชในสำนักของพระองค์ พระโพธิสัตว์ก็เล่าเรียนพระสูตรพระวินัยและนวังค่าสตัตร์ทั้งหมดกระทำพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามก็ร่ำเรียนพระธรรมคำสอนของพระองค์ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือแปลว่าผู้ส่งพระไตรปิฎกเราอยู่ในศาสนานั้นคือในศิกษาในศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าโกนทัญญะนั้น ไม่ประมาทในอิรยาบทไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถึงฝั่งอภิน ญ, ญาแล้วก็ไปสู่พรหมโลกชาตินั้นแตกชานพระไตรพิฎกแล้วก็อภิน ญ, ญาห้าอีกเนี่ยนะถ้าได้อภิน ญ, ญาห้าแปลว่าสมาบัติแดได้อยู่แล้วได้อภิน ญ, ญาห้าสมาบัติ8ทดส่งพระไตรพิฎกเนี่ยนะเข้าถึงพรหมโลกเลยว่ามีบุญจังผู้มีบุญนะเนาะ ทนี้พูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าโกนธัญญาพิเศษเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าพระโกนธัญญาพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่นั้นพระองค์เกิดที่นครรัมมาวดีเมืองนี้มีหลา ย, ลายชื่อนะแสดงว่ารัมมะเนี่ยสร้างเมืองใครก็อยากจะสร้างเมืองที่มันรื่นรมนะเมืองหน้าอยู่ว่างั้นเถอะรัมมาวดีพระชนกทรงพระนามว่าพระเจ้าสุนันทพระชนณีพระนามว่าพระนางสุชาดา พระองค์ทรงครองคารวาสวิสัยอยู่หมื่นปีทรงมีปร า, าสาทอย่างยอดเยี่ยมสามหลังชื่อว่ารุจิประสาท ส, สุรุจิประสาทแล้วก็สุภาพปร า, าสาทรุจิเนี่ยแปลว่าหน้ายินดีนะแปลน่าเพลิดเพลินหน้าชื่นใจหน้าพอใจอ่ะแต่ละอย่างแต่ละหลังเนี่ยหน้าพอใจมากแล้วก็สุภาพปร า, า ส, สาทแปล ว, ว่าปร า, าสาทงามมีสนมนารีประมาณสามแสนนางนะ มีอัคราเหสีพระนามว่ารุจิเทวีแสดงว่าตั้งชื่อปราสาทตามพระพระเทวีเลยเนี่ยตามอัคราเหสีมีพระโอรสพระนามว่าวิชิตเสนะพระองค์หลังจากที่เห็นได้เห็นหน้าบุตรใช่ไหมเห็นหน้าบุตรก็เห็นนิมิตทั้งสี่แล้วก็เสด็จออกพิเนศกรมด้วยยานคือรถทรงะนะ<ม>พระองค์นี้ออกบวช ด, ด้วยนั่งรถนั่นแหละ หมายความว่ารถมานะไม่ได้นั่งบนหลังมา้าแต่นั่งรถมาพระชินเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ส0บเดือนเต็มนะบำเพ็ญข้อปฏิบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในยุคนั้นเจริญสมถาววิปัสนาอยู่10บเดือนเต็มพระมหาวีระโกนธัญญะผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าผู้สงบอันพรหมาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักแกเ่เทพยดาณนะมหาวัน องค์นั้นทรงมีคู่อักระสาวกชื่อว่าพัทธะและสุพัทธะอักรข้างอักรส า, าวกข้าง ข, างขวาวา่าพัทธะอักระสาวกข้างซ้ายชื่อว่าสุพัทธะพระโกนทัญญะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระพุทธอุปถาคชื่อวา่าอะนุรุทธะพระโกนทัญญาพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีคู่อักระสาวิกาชื่อว่าติดสาและอุปติดสา พระโกนธัญญาพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นสาะกัละยาณีนะต้นขานางแสดงว่าลำต้นสวยทรงมีพระอัครอุปถากชื่อว่าโสนและอุปโสนะมีอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทาและสิริมาพระมหามุนีพระองค์นั้นสูง88สบศอก องค์ก่อนนี้สูงแป อ, องค์นี้88ดศอกคิดดูนะอสงไขยทั้งอสงไขยมีพระพุทธเจ้าแค่องค์เดียวอสงไข่นี่เนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าองค์นี้พิเศษมากพระองค์นี้ทรงสง่างามเหมือนดวงจันทร์ประหนึ่งดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนะเด่นมากนะเด่นเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะั้นในยุคนั้นทรงมีพระชนมายุแสนปีพระองค์เมื่อทรงพระชนมายุอยู่เพียงนั้นก็ทรงอยู่ ก็ทรงยังมูชนเป็นอันมากให้ข้ามโอข้าสงสารอายุยืนก็ดีก็ช่วยช่วยสรรพสัตว์ได้เยอะเนี่ยนะแต่ละวันแต่ละวันบรรลุวันละหมื่นเนี่ยแสนปีนี่เท่าไหรด่ดีบรรลุเยอะแยะไปหมดเลยนะเหลือแต่เรานี่แหละแผ่นดินก็งดงามด้วยพระขีนาศกแสดงว่าถ้ามองว่าพระอรหันต์หนึ่งองค์ก็เหมือนกระดอกไม้งามงามหนึ่งดอกดอ ก, ดอกใหญ่ๆใช่ไหมแล้วถามว่าแผ่นดินทั้งโลกจะมีดอกไม้เท่าไหร่ถ้าพระองค์มีพระชนมา ย, ยุนานขนาดนั้น พระขีณาศพเหล่านั้นผู้ไร้มนทินเหมือนท้องนภะาอากาศงามด้วยหมู่ดาวแต่ละดอกไม้ในแผ่นดินก็ไม่งามเท่ากับอากาศอะไรนะหมู่ดาวงามระยิบระยับบนท้องฟ้าั้นถ้าหากว่ามองกลางคืนนะกลางคืนเนี่ยถ้ามองเห็นดวงเดือนก็นึกถึงดวงเดือนก็เหมือนพระพุทธเจ้ า, าวดวงดาวทั้งหลายก็เหมือนกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายของพระองค์คก็เลยว่าชมดาวชมเดือนก็ได้บุญนะเนาะ ก็ก็จะดูดาวดูเดือนดูแสงสว่างดูอะไรมันได้บุญหมดอ่ะนะถ้าดูเป็นเหมืนกันเถอะถ้าคนมีพระัตนาตรายเป็นอารมณ์เนี่ยนะเห็นอะไรก็เจริญได้พุทธะเห็นเห็นอะไรก็นึกถึงสารณะของตัวเองได้ทําไมสารณะจึงมีผลมากมีอ น, นิสงส์มากเพราะเห็นอะไรก็นึกถึงสารณะได้หมดผู้ที่เห็นอะไรแล้วนึกถึงคุณพระัตนาตรายได้สุขติก็เป็นอันหวังได้พระผู้มียศใหญ่เหล่านั้น ข้อไปพระอาหารหันตเหล่านั้นหาประมาณไม่ได้ไม่หวนไไวด้วยโลกธรรมยากที่จะมีผู้เข้าไปหาพระผู้มียศใหญ่เหล่านั้นแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็นิพพานเหมือนสายฟ้าแลบแม้ท่านเปรียบได้ชัดเจนมากนะสังเกตดูยามค่ําคืนฝนตกฟ้าแลบเนี่ยนะแม้พอฟ้าแลบเสร็จแล้วก็หายไปฉัน้นใดพระอาหารหันตทั้งหลายเหล่านั้นก็ฉะนั้นส่องสว่างว่าในโลกเสร็จแล้วก็อันตรธานไป พระวรรดิของพระชินเจ้าไม่มีอะไรเปรียบได้พระสมาธิอัญญาณอบรมแล้วทั้งนั้นก็อันตรทานไปสิน้นคุณธรรมที่เคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็หมดสิน้นจะคิดดูนะถ้าหากว่าเราช่างสังเกตนิดหนึ่งเนี่ยกลางวันกับกลางคืนบอกตอนกลางคืนเนี่ยแสงสว่างมันหายไปได้หมดเนี่ยนะอย่างคืนเดือนมืดที่เราต้องการใช้ไฟเนี่ย ตอนกลางวันแหมแต่ไม่แดดเหมือนร้อนจ้าเลอะเกินพอตอนกลางคืนแสงสว่างมันหายไปไหนหมดให้เหลือสักดวงหนึ่งสิเห็นไหมยากชันใดเพราะอะไรเพราะสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าโดยแน่แท้จะยิ่งใหญ่ปานใดก็ช่างเถอะใครที่เจริญมรณานุสติเนี่ยนะจะไม่แปลกใจอะไรเลยว่าจะต่ําต้อยอยากรแร้นแค้นใจขนาดไหนระดับล่างปานใด ต่ำสุดขนาดไหนที่สุดของชีวิตก็คือความตายสูงส่งขึ้นมาสูงส่งด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสรรเสริญด้วยบริวารด้วยรูปงามผิวพรรณดีด้วยชาติด้วยตระกูลนะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากัรย์เป็นเท้าสักกะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือว่า จะเป็นคู่อักขระสาวกเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าโดยที่สุดแม้แต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ว่างเปล่าแท้สังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะสังขารว่างจากความเที่ยงไม่มีสังขารเหล่าไหนที่จะเที่ยงแท้แน่นอนหรอกอา้าวเมื่อสังขารไม่เที่ยงแล้วเราต้องไปทาอะไรใช่ไหมทไมต้องศึกษาคาสอนไหนไหนมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้ว ก็เพราะสังขารไม่เที่ยงนี่แหละที่จะต้องนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงเคลื่อนจากมนุษย์แล้วไปสู่อาบาอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยก็แย่ละเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเหตุผลหลักที่ต้องมีพระรัตนตรยัยเมื่อสังขารไม่เที่ยงแต่มันเป็นกองทุกชนิดแบบทุกอันนี้หมดไปทุกกองใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นอันนี้ที่เราต้องมีพระธรรมเป็นสารณะเพราะว่าเมื่อเรามีสารณะจะได้พ้นจากกองทุกขเหล่านั้น มันไม่มีความทุกข์เหล่าใดที่จะเที่ยงรกักแต่มันเจ็บปวดและเกินความทุกข์เหล่านั้นเพราะควรแล้วที่จะศึกษาอริยศาสตร์เพื่อออกจากกองทุกข์เหล่านั้นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยศาสตร์ก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้แหละที่เราต้องมีพระองค์เป็นสารณะเพราะฉะนั้นชาติชรามรณะมีในโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็เพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่ความเจ็บและความตายนั่นแหละ พระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อช่วยให้เหล่าสัตว์พ้นจากความแก่และความตายคนนี้กลัวแก่กลัวตายแต่ไม่ค่อยกลัวเกิดทำบุญก็ขอให้เกิดจางเดือนนะส่วนใหญ่อักสาทุกเกิดชาติหน้าฉันใดนั่นนะเกิดชาติหน้าเบื่อใดปานใดอย่างไรก็มีแต่ชาติหน้าไว้ก่อนนั้นนะลืมไปว่าชาติชรามรณะมันอยู่ใกล้กันใช่ไมเอ๊ะชรากับมรณะมีตั้งแต่เมื่อไรเนาะบอกมีตั้งแต่เกิดนั่นะแหละ เพราะว่าความแก่เนี่ยนะพอมีความเกิดปั๊บความแก่ก็ติดตามมาความตายก็รอโอกาสอยู่เสมอเนี่ยนะพร้อมเมื่อใดก็พร้อมที่จะเข้าประหรันประหารเพราะว่าเชื้อแห่งความตายมาพร้อมกับความเกิดเหมนกันสังขารทั้งหลายเนี่ยว่างเปล่าแท้โดยที่สุดแม่แต่สังขารที่เราเรียกว่าพระอรหันต์ตมมาสัมพุทธเจ้า พระโกนธัญญาพุทธเจ้าผู้ทรงสิริเสด็จดับขันธปรินิพานนะพระวิหารนันทารามเจดีของพระองค์ในพระวิหารนั้นสูงเจ็ยอเจดสีสูงเฉียดฟ้า น, นะ ก, ก็ก็น่าจะสูงนะพระคนเนี่ยยุคนั้นโดยรวมๆก็สูง7 8็ปสศอกเนี่ยนะสูงสา0ี่เมตรกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนสูงมากเพราะว่าคนตัวเล็ ก, ลกๆอย่างเรานี่นึกไม่ออกมันเป็นนได้ยังไงนะอย่างว่านะ วิสัยนกกระจอกทั้งหลายไม่เข้าใจรองพยาครุดบินอย่างไรเมืองนั้นนกกระเจาะตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมมันกระพือปีกหน่อยนอนก็ไปได้แล้วแต่ไม่เข้าใจเอ๊ะครุดที่มันสูงเป็นยอดยอเนี่ยนะบินไปยังไงอย่างเงน้นไม่เข้าใจแต่ว่าวิสัยของผู้มีบุญมีฤทธิ์มีอํานาจเนี่ยนะคนกระจอกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระตนะตรยัยเนี่ยบางอย่างเราก็าค่อยๆศึกษาไปถ้าเรามีบุญก็คงได้พบได้เห็นเองแหละเนี่ยนะ ข้อ <c oughs> ความที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นคาถาในพุทธวงศ์นี้มาดูในคำพีอัตถกาถาชื่อว่ามัทุรัฐถวิลาสิ น, นีนะความงดงามเนื้อหาลึกซึ้งหวานเปรียบน้ําผึ้งมัทุระเนี่ยมัทุรสเนี่ยความหวานประดุดน้ําผึ้งเพราะว่าคำภีนี้ถ้าศึกษาแล้วก็าบอกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าหวานแสดงว่าสมวัตถุประสงค์ของผู้เรียบเรียง แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฟังแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่ถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็สบายใจเหมือนกันเพราะว่าอ่านแล้วก็เลื่อมใสเนี่ยนะโดยเฉพาะได้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นพระพุทธเจ้าองค์ของเราบางทีเราเข้าใจไม่มากเมื่อเราเไปศึกษาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเราจึงจะเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราได้ลึกซึ้งอย่างยิ่งขึ้นเ น, น, น, น, นี่ยนะในพันนา วงของพระโกนธัญญาพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยพระองค์เนี่ยมีพุทธวงมีวงของพระองค์พระพุทธเจ้าในอดีตได้เคยพยากรณ์พระองค์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตดังได้สดับมาเนีนะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วศาสนาของพระองค์ก็ดำรงอยู่แสนปี จริงๆถามว่าอยู่ตั้งแสนปีเนี่ยถ้าเทียบโดยอายุไขแล้วไม่นานเพราะว่าพอหมดรุ่นพระพุทธเจ้าหมดรุ่นภาษาวกสืบทอดมาศาสนาหมดแล้วดำรงอยู่แค่สองารุ่นเองมันอายุแสนปีนี้ดำรงอยู่แค่สองสารุ่นหมดศาสนาไม่เหมือนศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานะดำรงมายี่สิรุ่นแล้วนะตอนเนี้ยถ้าอายุร้อยปีนะเฉลีย่ยแต่จริงๆแล้วตอนเนี้ยประมาณ30รุ่นแล้ว30รุ่นนะนะหมายความว่าถ้า บวชตั้งกันเล็กพอเกิดมาปั๊บเนี่ยอายุ7็ดขวบบวชสืบเนื่องไปจนอายุ80ปีตายแล้วก็เจ็ดขวบแล้วมาทอดทอทอดอย่างเงี้ยประมาณ30รุ่นเองเออขออภัยประมาณตั้ง30รุ่นถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยพระพุทธเจ้าทีปังกรสืบทอดกันแค่สองรุ่นสองรุ่นสมรุ่นศาสนาก็หมดละเขาก็เลยบอกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นั้นไม่นานถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าของเราพัางอัน เพราะอันตรทานแห่งพระสาวกทั้งหลาย น, นะสาวกทั้งหลายของพระพุทธและอนุพุทธแม้ศาสนาของพระองค์ก็อันตรทานคือแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระนามวาทีปังกรไม่ได้สอนมากเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเรา น, นะพระไตรปิฎกไม่มากเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราหล า, หลายเรื่องสอนแต่อัฏฐาสาระสาคัญสาคัญ เหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าไม่มีคําอธิบายไม่มีคําขยายความมีแต่เนื้อหาหลักๆย่งว่าจะอยู่ได้นานไหมอยู่ได้ไม่นานเพราะคนเริ่มไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็เริ่มเบื่อพอเริ่มเบื่อก็ทิ้งไป น, นะเพราะความไม่เข้าใจนั้นคำสอนนั้นจะต้องจําต้องมีคําต้องอธิบายขยายความอย่างกว้างขวางถ้ามีการอธิบายขยายความอย่างกว้างขวางจิตใจก็จะไปครุ่นคิดไข้ค ร, ครวญอยู่นั่นแหละทั้นชีวิตก็ให้ผ่านไปกับ คำสอนศาสนาก็ยั่งยืนนานนะฮะดันั้นการยิ่งศึกษายิ่งพิสดารเท่าใดศาสนาก็ยั่งยืนนานเท่านั้นถ้าย่อเท่าใดก็จะหมดเร็วเท่านั้น น, นะคือเมื่อหมายวา่ามีเยอะๆอ น, นะแล้วก็อาจจะรักษาค่อยๆหมดไปทีละหน่อยทีละหน่อยนานกว่าจะหมดจริงๆแต่ถ้าปกติมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะไม่นานก็หมด น, นะถามว่าเอา้าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นไม่เทศให้มากๆล่ะคนสมัยนั้นมีบุญมาก ในยุคนั้นมันไม่ต้องพูดมากเขาก็รู้เรื่องอยู่แล้วยุคต้นๆแต่ยุคหลังๆไม่เข้าใจเนี่ยนะนะก็ยังว่าพุทธศาสนาก็มีสําหรับคนมีบุญเมื่อหมดผู้มีบุญก็หมดศาสนาสังเกตดูหลายๆแห่งเหมือนกันเนี่ยนะถ้าที่ใดมีการศึกษาพระธรรมอยู่เนี่ยมันเป็นบุญของบางคนเท่านั้นเองอเป็นบุญของไม่กี่คนเท่านั้นเองถ้าคนเหล่านั้นหมดไปสองคน3คนตรงนั้นแทบจะหมดบุญเลยแทบจะศูนย์อยู่เลย นะบางบางแห่งเนี่ยคลายๆายเป็นแบบนั้นเพราะว่าพระศาสนาเป็นเรื่องของผู้มีบุญถ้ายังมีผู้มีบุญอยู่คาสอนก็ยังอยู่ต่อไปได้ถ้าหมดบุญเมื่อใดเมื่อพี่ผู้มีบุญหมดบุญเมื่อใดอันตรธานละเนะีนะ่ยนมันก็พันคำสอนนั้นจึงต้องกระจายกระจายเนี่ยนะให้ผู้มีบุญมีเยอะๆถ้าผู้มีบุญมีน้อยเท่าใดนะคำสอนก็เหลือไม่นาน มันศาสนาก็อันตรธานศาสนาอันตรธานนี่เขวัดจากอะไรอันตรธานก็คําสอนเนี่ยหมดก่อนคําสอนคนไม่เข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรพระองค์สอนอะไรบ้างสอนให้เป็นอย่างไรเมื่อคนร่ําเรียนเขียนอา่านเข้าใจคําสอนแล้วเอาไปทําอะไรใช้ได้อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเป็นต้นเมื่อไม่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อไม่มีการปฏิบัติ การตรัสรูม้มรรคผลก็ไม่มีพันคําว่าศาสนาอันตรธานเนี่ยนับอันตรธานว่าไม่เหลือพุทธพจน์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเรียนพุทธพจน์กันเยอะๆสูดรจำได้คนละสูตรสอสูตรเดี๋ยวศาสนาก็ยั่งยืนเองอะ่ะ น, นะยังยืนที่ไหนพระารหั์ถึงท่านจะมีมากเราก็เหมือนเดิมของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอะ่ะให้ศาสนา ย, ยั่งยืนที่ใจของเราให้มากที่สุดบางยุคบางสมัยแทบไม่มีผุุ้ชน ถึงเราก็เป็นอย่างเราเหมือนเดิมนี่แหละทั้งคำว่ า, าศาสนายั่งยืนนี่ควรจะยืนที่ไหนไม่ต้องไปห่วงรุ่นลูกรุ่นเลนรุ่นหลานอะไรหรอกห่วงห่วงรุ่นเราเนี่ยเพราะเราจะไปเป็นลูกเล่นเลนข้างหลังอีกต่อไปนี่แหละเดี๋ยวก็แปรสภาพใช่ไหมตอนนี้ทําเป็นเหมือนเป็นปู่เป็นย่าเป็นทวดเป็นอะไรไปก่อนเนี่ยตอนหลังก็กลับมาเป็นต้นวงนะก็ว น, ห ม, นหมุนอยู่นั่นแหละจะไปไหนเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ล้อเลีย น, นยแต่เล่าให้ฟังว่าคนที่อายุมากก็แปลว่าใกล้เข้าเป็นเด็กเข้าไปทุกทีแค่นั้นเอง อันนี้เล่าให้ฟังอ่ะนะเล่าให้ฟังไม่ได้ลบลูไม่ได้ดูหมิ่นอะไรรอกนะเพราะถ้ายิ่งแก่เท่าใดนิสัยเด็กก็เริ่มเข้ามาทุกครั้งทุกครั้งในที่สุดก็จะเป็นเหมือนเด็กเนี่ยนะคล้ายๆกันเพราะจะต้องแปลสภาพไปเป็นเด็กแล้วกลับเวียนขึ้นมาใหม่โรงเร่องระวังให้ดีเนะ้อเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเริ่มกลับไปใช้นิสัยเดิมเข้าแย่เลยนะนะต้องให้มีบุญหน่อยแล้วกัน ย้อนกลับมานะว่าเมื่อาศาสนาผาหมดไปโลกก็ว่างเปล่าจากอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาว่างเปล่าจากสมถเวปัสนาว่างเปล่าจากข้อปฏิบัติเพื่อรู้เห็นอริยสัจไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขเนรโรธนี้ทุกขเนิโรท่าขาม่มีปฏิปทาไม่มีอีกละ อีทางทุกครั้งอริยสัจจังเนี่ยชาติปิทุค้าชร า, าปีทุกค้าไม่มีอีกแล้วไม่มีโอกาสได้ยินอีกแล้วต่อไปปัญหาไม่ได้ยินไม่ว่าไม่อยากได้ยินด้วยนี่ไม่ได้ยินด้วยไม่อยากได้ยินด้วยก็เลยพอกันหมดเพราะอะไรเพราะว่าคําสอนเหล่านั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าอันตรธานหายไปสาวกของพระองค์ผู้ที่เข้าถึงคําสอนเหล่านั้นหมดไปาศาสนาเหล่านั้นก็เป็นอันอันตรธานวันเวลาก็ผ่านไป ต่อมาภายหลังภายหลังจากนั้นหนึ่งอสงไขสล่วงมาเนี่ยนะศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาก็มีขึ้นหรือพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาก็อุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระบารมีมา16อสงไขแสนกับเป็นวิริยาที่กะเลยนะเป็น มัมเพนบารมีนานมากทำบุญด้วยความภาคเพียรพยายามอุศหะอย่างแรงกล้าสั่งสมทานศีลนี่คัมมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกข า, านะบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมัทธบารมีสิบมหาบริจักห้าจริยาสามอธิฐานธรรมสี่พุทธภูมิสี่เป็นต้น น, นะตลอดสีอสงไขยแสนกับเข้าไปตลอด16อสงไขยเศษแสนกลับจึงได้ จึงได้มาถึงไหนมาถึงดำรงอยู่ในอัตภาพเช่นกับอัตภาพเป็นพระเวสสันดรนะครัเรียกว่าตอนท้ายๆจะคล้ายกันคือมามาใช้ชีวิตแบบพระเวสสันดรนนั่นคือเกิดมาก็มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้เป็นผู้ให้ให้จริงๆเราจะมีอะไรให้ได้บ้างท่านเป็นผู้ที่มีความคิดว่าทํำยังไงจะให้คนได้มากให้คนได้เยอะตอนแรกก็มุ่งจะให้พวกทระซับก่อน ตอนหลังมาก็น้อมให้อริยทรัพย์ตอนหลังมาอีกก็เพิ่มให้โลกุตตระทรัพย์พระพุทธเจ้าก็คือผู้ให้นั่นแหละนั้นเกิดเป็นพระเวสสันดรก็อยู่ด้วยการให้จุติจากอัตภาพคล้ายพระเวสสันดรนั้นแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต จ, จนพระชนมายุเขาบอกว่าอ้าแล้วถามว่าทําไมที่อื่นๆไม่พูดแบบนี้ทําไมบอกว่าตรงก่อนชาติสุดท้ายจะดำรงพระชนมายุ จนเส้นพระชนมายุทําไมจะต้องเอามากล่าวบ่อยย้ําเรื่อเกินว่าตั้ง576ล้านปีเนี่ยทำไมจะต้องบอกอย่างนี้บ่อยถามว่าชาติอื่นๆไม่เป็นอย่างนั้นหรือบอกไม่ชาติอื่นๆเนี่ยพอท่านทําบุญเสร็จไปเกิดในสวรรค์นะไปอยู่สักไม่กี่ปีจุตินะเขาบอกว่าอธิมุดตะ ก, กิริยาเนี่ยหมายว่าเกลเหมือนภาษาไทยเรียกว่าใกล้ใจใตายหรือว่าฆ่าตัวตาย นะท่านจะพอไประดับหนึ่งท่านจะฆ่าตัวตายท่านจะไม่อยู่ในสวรรค์นจนสิ้นอายุไขท่านไปเกิดเป็นพรหมก็จริงท่านดูจังหว ะ, อะพอดเออทาท่าจะเออตช่วงนั้นแจ๋วลงไปทําบุญได้เยอะดีก็เลยฆ่าตัวตายแล้วไปทําบุญเนี่ยนะบารมีของท่านจึงเต็มท่านพวกพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะเป็นต้นเนี่ยนะหรือแต่ละองค์เนี่ยจึงน้อมไปเพื่อการทําบุญไม่ได้น้อมไปเพื่อการเสวยผลบุญท่านไม่ไม่สนใจว่าจะต้องเสวยผลบุญตามอายุไขตามนั้นทั้งหมดหรือไม่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุวาทีบุคคลสรนเริญการสร้างเหตุเนี่ยนะสรรเริญการสร้างเหตุจริงๆ